ลำดับต่อไปหลัจการฟังธรรมเป็นเรื่องการเข้าใจในอ่านธรรมของพูดุทธเจ้าที่แสงเวดีแล้วนั้นพวกเราท่วนใหญ่เป็นนักประดัดธรรมด้วยเพื่อกระทำในใจแล้วแสงออกทางกายทางวิญญาทางใจทางกายนี้วิญญา์มักจะให้นั่งผัสมาธิ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 ถนัดในการนั่งสมาธิแค่ไหนเพียงไร <c oughs> ปรับปรุงท่านั่งซะก่อนก็ดีแต่เพราะบางคนที่มีผ้ามาคลุมแล้วก็นั่งได้สบายๆบ <c oughs> ารสมาธินี้เป็นเรื่องของการํารมขาโดยหลักที่บอกเนะว่า ไม่มีความหมายทั้งใจทำหน้าใจสูงคมไว้ต่ำคนในโลกนี้ที่สนัดซ้ายก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ถนัดขวานั้นมาดูพุทธรูปนี้ดูรูปขอวอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติทำแล้วส่วนใหญ่จะนั่งในท่าขัดจมาทิแต่ทั่วไปนั้นก็เป็นขัดสมาทิธรรมดาเรียบผ้าปัจมาอัสนะ เป็นขั า, าสมาธิแบบดอกวัวเด็กสมาธิชั้นเดียวแต่พุทูปทั้งหลายนั้นจะมีที่ส่วนแพ่หลายอยู่ในนั้นเมืองเหนือเขาเรียกว่าปางมันจะเป็นบางเชียงแสนเป็นปางที่บางกามีท่านลักษณะท่านั่งสมาธิเป็นข้าวิเพศรเรียกว่าวัชรอาจคือว่าอาจารย์ที่ฝึกนั่งสมาธิอิเพศนี้เมิรูปสิม พุทอายโรตอนแรกตอนหลังก็ท่านไปอยู่คำบับลองก็เรียกว่ามักจะแนะนําให้ลูกศิษย์รหาเรานั่งกับเพียบกันมานานแล้วคัตเทก็ทำธรรมนามานานแล้วให้ทดลองถ้าใครสามารถเอาซ้ายขึ้นก่อนแล้วขวาทับเรียกว่าขัตธรรมอันี้ของชั้นขัตธรรมพิเศษเรื่องตกบัวก็ดีอยู่ แต่เพชรต้องมีราคาสูงกว่าตะโบโยนเกิดขึ้นในตมในเลนในน้ําแต่ว่ากว่าจะขึ้นมาถึงพื้นน้ํมามันถูกแสงแิดบานนี่เป็นตะโบชั้นน้อยชั้นใหญ่ขึ้นไปถึงผิวน้ําแล้วเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็นคนดามันเนี่ยที่คนดามันนี่มีเย่คนที่เป็นพาลชนก็มากพลชนก็เขาขึ้นมา สูงขึ้นเป็นสาธุชนสูงขึ้นเป็นบันเด็ชนที่เกินบันเด็ก็เป็นพวกอริชนนี้เหมือนดอกบัวพ้นน้ำแล้วเราทั้งหลายนั้นแต่ท่านแต่ละคนก็เหมือนดอกบัวเราก็พิจารณาตัวเองถ้าเผิ่แม่นั่งภาวนาแล้วสายตาเรามากักจะมองไหยนอกคนทั่วไปนั้นมันกจะเลนออกชอบดูภายนอก แต่มไม่อยากสักพ้อกจิตใจทานธรรมะให้เรียนเข้ารู้เท่าตัญหามันฝึกภาวนาทัานได้ใจตนในตัวเรานี้ร่างกายทั้งหมดนี้คนทามันก็ว่าตัวฉันร่างกายกงฉันแต่เรารึก ว, ว่าเราเป็นผู้ต่างร่างกายนี้เองซึ่งเริ่มต้นก็เป็นการเข้าใจผิดแล้วพุทธเจ้าแสดงว่าเราทั้งหลายท่านเองก็ดี มาด้วยจิตเป็นนักทันเอกเดินทางมาหลายพบหลายชาติเต็มทีแล้วทิพยญาติแสดงไว้เพียงแค่สิบชาตินี้เป็นชาติที่ยิ่งแล้วเป็นพวกที่บัณฑิตแล้วเป็นอ่าเรียก ว, ว่ามีพื้นฐานของไพ่ยากแล้วเพียแต่ว่า มุ่งที่จะเป็นพุทธเจ้ายิ่งกว่าเป็นพระเจ้าธรรมดาเพราะว่าเป็นพุทธเจ้านี้ต้องสร้างตัวมีมาแก่กล้ามากยิ่งกว่พาพระเจ้าธรรมดาแม้แต่ว่าประวัติของท่านบุญมันเราตอนแรกที่ท่านภาวนาแก่กล้านะั้ท่านตั้งไว้ทานว่าอยากจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคต แต่เมื่อท่านมียานทัศนะแล้วถ้าเล็งยานดูโอ้ใคยจะเป็นพระพุทธเจ้าใดนี้เราต้องโพธัสมุ่งมัน่นบำเพ็ญต้องให้อรอโพธั์อื่นเขาบรรลุธรรมเป็นรายเป็นรายไปก่อนแล้วผู้นี้เป็นโพธสัตว์นี้ก็ไม่ใช่มีพระเยอะหรือย่านางเดียว สมุติจาพยากรณ์ว่าข้างหนจะมีภ ร, ระศรอาร์พระศรีเมตไทนี้ประปนโลกแตโอยาปนนี้แล้วก็ถูกหลอกทิ้งอานมาหลายหลายยุคแล้วเป็นทิ้งอานปลอมเสยยะอันจริงเราไม่ต้องพูดแล้วมันจะไปจักในคนทั้งหาเองแต่ว่าไปนับล้านปีจะมันเกิดทั้องค์นึงรุ่นเหล่านี้แปลนี้เขาเรียกศาสนาเริ่มเรียวแล้วคือว่าพุทธเจ้าพยากรณ์า น, นานแล้วว่า พุทธานี้ตอนแรกก็ค่อยจเจริญเจริญเจริญไปถึงห้าพันปีแล้วก็ค่อยเติมเติมเติมเติมถ้าสองพันปีสมงพร้ยปีเริ่มเติมแล้วถึงข้ามปีก็จะหมดแล้วมันเป็นยุบๆว่าทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปดับไปธรรมดาแต่ก่อนนั้นรุ่นปู่ย่ายายเราพ่อแม่นะั้น เขาเรียกว่าเป็นยุคทของตาสนาสร้างวัดราวาสมากยิ่งกว่าโรงงานมากยิ่งกว่าบ้านช่องบ้านช่องนั้นสร้างตามชมชาวชายชายนอยู่ก็ยังแต่เป็นเรื่องเล็กๆบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ น, น้อยๆแต่ว่าเขาทุนไปลงสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างาการเปรี่ยนสร้างพญเดีนใหญ่ตโตมหาล้านเป็นทุนรวมของชาวบ้าน เร ย, ยุคท้องอรัสนะเะนั้นยุคนั้นคนไม่รวยเท่าไหร่หรอกแต่รวยน้ําใจจะหวานข้าวก็ได้เกี่ยวข้าวก็นด้ไม่ต้องจ้างช่วยเหลือกันเรียกว่าลงแถกเกี่ยวข้าวลงแถกหวานข้าวสร้างบ้านเหมกันเมื่อมีความร่วมมือกันแล้วมีวัสดุมาต่างคนต่างมาช่วยกันแล้วเพียงไม่กี่วันต่างคนต่างมาลงแถกช่วยกันสร้างบ้าน ก็ไม่ต้องไปจ้างช่างเสียเวลานานแล้วก็ดูแลกันไปหมู่บ้านไหนใครจากบ้านอื่นก็ดีบ้านเดียวกันก็ดีมาแ ล, มมลแล้วไม่มีทักโรงแลมไม่มีทอย่างนี้หรอกก็พักตามบ้านไว้ใจกันแล้วก็อาหารกันกินก็เลี้ยงดูเรียกว่าให้คันตะระกแต่อาันตุกะแม่เด็กในบ้านไม่ใช่ญาติเหมือนญาติ ไปเล่นบ้านไหนกินบ้านไหนก็ได้นอนบานไหนก็ได้ในฝรั่งเขาก็มีเขาเดินทางไกลเป็นเมืองเป็นเมืองเนี่ยเป็นทวีปเป็นประเทศเนี่ยบางทีเขาไม่มีค่า ร, รถค่าเดินทางแต่เขาใช้เอามือยื่นออกไปเวลาไ ป, าไปต้องการไปที่ไหนไปอยู่ริมทางเอามือยื่นไปแล้วก็รถผ่านมาเขาว่างอยู่เขาเห็นคนเดินทางขออะไรด้วย เขารับไปเมื่อเขาจะไปทางอื่นก็อลงไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ขบเจ้าขบใจกันไปหรือไปทางเดียวกันถึงไปทางก็ยิ่งสะดวกขึ้นไม่คิดเงินมน ท, ทองหรอกแต่ตอนหลังนี้เรื่องรงแคลงช่วยเหลือกันมันก็จางๆไปแล้วเป็นการจ้างหมดแล้วจากเครื่องของคันใช้โนใช้ควายก็มาขายเทีนข่ากันไม่ใช่น้อย มันต้องใช้เป็นรถแล้วรถไทยหรืออะไรอยากไอ้เรื่องที่ไปที่ใช้ก็ขออาศัยไปตามขนทางอาศัยรถไปช่วยข่าวช่วยข่าวแล้วก็เจอไหนไหนก็เขาแยกไปท่างจะไม่มีแล้วอะไรคือคนที่อาศัายรถก็ไปเจอไอ้คนรถเจ้าของรถบางทีนิสัยไม่ดีก็จะมีการเอาเปรียบเบียดเบียนแ้วโดยการต่างๆหรือบางที ไอ้คนอาศัยเขาขึ้นไปแล้วไม่ลงง่ายไปเรียกร้องไปตรงทิศนี้อะไรต่ า, างมันเรื่องกายเป็นว่าทิศธรรมขาดลงไปเรื่องของน้ําใจก็เลยขาดจ้างไปเหมือนกันเรียกว่าถ้าทิศธรรมมาคืนมาโลกาก็ต้องบน่นวายถ้าทิศธรรมคืนมาโลกาก็ล่มเย็นมันสุขทิศธรรมไอ้นอกนั้นเราห้ามไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเกินกําลังเรา แต่พระเจ้าบอ ก, ากนานไปนานไปก็สถานเรียวคือว่าคูหนหายอย่างเดียวแต่คนรับเถือก็อ้างว่างานเยะเรื่องธุรกิจเยเรื่องของการต้องพักผรไปเิ๊กๆไปพักผ่ที่รีสอร์ทด้า น, นนี้มันเยอะจะไปวัดวานี้มันก็ไม่ลมเย็นแบบอย่างเก่าแล้วทาพระก็เรียกว่าบริการมุ่งทางานั่นสวดพริธรรมบ้างสอนนังสือบ้าง ไม่ทำกจอย่างอื่นนั่งที่นั่งภาณามงกุฎองไม่ต้องไปวัดป่าก็ดองแล้วเรียกรบรรพันไปอาจารย์ชัช้นดีเราก็เลยหล่อไปก็เห็นเองกันอยู่ว่าคือเรื่องบา ร, รมีนี่มันพูดยากท่านทีแก่กล้าเป็นอาจารย์ชั้นใหญ่นะั้นท่านจะ ก, การะซิบเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าไม่ใช่คนเรามาเกิดชาติเดียวมาเกิดเป็นผู้ชายแล้วศรัทธามาบวชเป็นพระสําคัญขึ้นมาเป็นพระเจ้าขึ้นไม่ใช่ไงหรอกผู้เจ้าชั้นใด พูดแล้วก็ฉนนั่นแหะกว่าพุทธเจ้าเป็นพุทเจ้าแต่องค์นั้นจำผมมันมีมาบรรลุกิจชาติเราเช่นเดียวกันกว่าที่จะมาเป็นชาวพุทธกว่าจะออกบวชหมดทนๆนั้นมันต้องผ่านมาพัฒนามาหลายชาติเหมือนกันเช่นเดียวพระบทสมัยนี้ที่สามเดือนเราจะน้อยแล้วเดือนหนึง่งสองอาทิตย์สเก็ตวันก็เหลือมีแล้วเป็นการ ศรัทาในศาสนามันน้อยลงแล้วแล้วเขาอางอานหนึ่งก็ว่าต้องเด็กสะพังพังงานของการก็ไในเมื่ออยู่ในวัดในว่าวา่านี้กุฏิมาตุนเช้าข้ามวรองเท้าผู้คนทาบุญน้ยกไหว้ด้วยปัญหาที่ไหนได้อย่างง่ายๆมาไลแต่ว่าออกไปแล้วจบปริญญาได้นี้ยังแข่งกันกันเข้างานเลยงานดีๆนี่สมัครสิตธิ์ตแหน่งสมัครกัเนิดหน้าพันตำแหน่งเอาวุโคน ก็จะได้ตําแหน่งที่ได้นี้่ขแข่งกันตกแล้วตกอีกเราแสดนว่าทั้งโลกมันชักจะเบียดเบียนกันเอาเปรียบกันขแข่งขันกันมากขึ้นธรรมะยังค่อยชั่วหน่อยเดี๋วอีกละเมื่อมีนิสธรรมแล้วถักแล้วบางรายก็มีการติดตอ่อมีการหาเราขยายผลทั้งเรื่งนี้มันบางแห่งไม่ระวังแล้วมันก็จะคขยทั้งโลกเข้าไปเหมือนกันเพราะนั้น รวมความว่าเราไม่ต้องว่าเราเพียงสังเกตดูว่าอ๋อโลกเหล่านี้มันเป็นไปอย่างพุทธเจ้าทรงแสดงว่านับวันไปพวกมันเลยสองห้าร้อยแล้วมันเดินขึ้นมาพอแรงแล้วก็ถึงข่าวเดินลงบ้างแล้วเดินลงสุดท้ายแล้วถึงขนาดว่ามองกันเหมือนจะเป็นผักเป็นปลาแล้วไม่มีการบาณีกันแล้วไม่มีการเปรียบเทียบทุกแบบจะต้องเห็นค่ากันแยะ เมื่อตายก็มามากพอแล้วโรกนี้ใช้จะว่างๆแล้วก็เลยจะมีที่ทำนาทีหนึ่งก็งค่อยขึ้นมาอีกก็มีขึ้นรองนี่แหละว่าพระพุทธเจ้าจะมาเกิดอีกแต่พระองค์นั้นมันต้องหมดศรัทเดิมซะก่อนพูดสานด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเป็นเป็นยุกยุกของเรานี่ยเขาเรียก ว, ว่าพัฒนกับมีห้าพระองค์พระกุศลทนท์ผ่านไปแล้วพระโกนาคมผ่านไปแล้วแล้วก็ พระกัจป โ, โกนกคมโกนโกนแล้วก็ของเรานี้พระสนุนทรภพรมถัดไปเป็นพนระเทียหารยะไมตรีพระกุทันโทโกนกคมกัจจโปสนทรพรมสี่องค์ของเรานี้ยังถือว่ายังมีศาสนาของเราอยู่เพราาสนานั้นไม่ใช่เป็นรูปกายแต่เป็นรูปธปรรม ท, ที่ท่านมบรรลเวัาธรรมแล้วท่านฝากมาทำไว้ในโวกนี้ท่านบอกผู้ใดเห็นธทำ นั้นเห็นเราถานคดนี่เป็นเรื่องที่ว่าแสดงว่าพระพุทธเจ้าจริงนั่นเป็นนามธรรมาร่างกายก็มีประตูมีออกบวชพวนวดแล้วก็มีทรงชลาในก่อนนิพพานเป็นเรื่องรูปกายเช่นเดียวคนธรรมาทั่วไปเปกิดกายเจ็บตายพระุทธเจ้ากำชับว่าเาทั้งหลายล้วนดต มีการแก่กันเจ็บกันตายไปนที่ตั้งแล้วให้ใช้ประโยชน์จากชีวิตนี้ให้มันคมกันโดยเฉพาะให้เห็นว่าร่างกายเหล่านี้ทาไ่ทำอะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าทำแล้วนี่สองอย่างว่าคนถามมันก็โมโหยาวตนมากก็เป็นเรื่องส่วนตัวดีไม่ดีเห็นให่ตัว เอาเบียร์ไปเบ่เขาในผู้หานี้สอนให้พยายามเห็นแก่ผู้อื่นบ้างพยายามลดการเห็นกับตัวลงเพราะนั้นผู้หนานโดยรวมนี้จึงเป็นเรื่องตัสนาความเดช ะ, ะ, ะ, ะท่ะทัพเข้าของเงินท้องก็เป็นทานได้ตดละมากน้อยแค่ไหนจากเรื่องของทานธรรมดาให้กันโดยชอบพอถัดไปก็ถูงกว่า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 โดยไม่วุ่ไหมใคล้ายๆโดยตรงก็อานสูงก็ต้องสูงกว่าให้ทานธรรมดาถัดไปก็เป็นเรื่องของการเจนารนาทานหรือเรียกวิหารทานผู้ที่เราเข้าวัฒวาว้านนี้ฝันไหนก็ได้เถอแเราไว้อาศัยของเก่าของผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นไทยวัิการรุ่นเก่า บอกสมุทิกาถ้าจะประสงต้นองเก่าซื้อกันมาเป็นหลายสิบปีหลายร้อยปีวัดว่าวันเราวนี้ยแสดงว่าผู้ที่เขาสร้างไว้แล้วนั้นเขารับประันไปแล้วล่ะแต่ถ้าของเขายัางมีอยู่เช่นพระราษทธานนี้อดีตรัตนเจ้ามูลปอคุณทองอคำคิดเห็นว่า มีการรบับรา้าฟันกันในแถวทุ่งวังเขนนี้จะากทำกุศลเป็นการทำบุญเพื่อว่าให้บาปจะได้จะมีส่วนบุญมีสการเสริมให้พลังบุญของเราช่วยคุ้มครองให้พลังบาปมันลบกนลนเราน้อยหน่อยเึง่ประกาศสร้างวัดอาถาชาวบ้านถวายที่ดินสร้างวัดบ้างผู้คนบริยากมาซื้อที่เพิ่มเดิมบ้างแล้วก็ช่วยกันสร้าง เป็นโบสถเป็นวิหารเป็นกรลาเป็นกุฏิแล้วก็เป็นที่ผูกต้นโพมีเจดีย ร, ระดางเหล่านี้เที่ยวนี้ผู้นี้บริจาคเหล่านั้นรูน้เตาขันไปหมดแล้วแม่คณะผู้ก่ อ, อ ก, การสร้างวัด น, นี้ก็ตามเราไม่สามารถจะเจอแล้วหมดรุ่นเขนาแล้วแต่มาอยู่ในเจดีย์ของวัดปฏิมาธาตุอยู่ในวิหารรอบๆ โบดบ้างวิหารบิหารวุฒิชนบ้างหรือแต่กระดูกที่เขาต่ายไว้เป็นช่องๆมีชื่ออยญ่เลืไว้ให้เห็นว่าวัด น, นี้สถานที่นี้จะดีนี้ได้มีการเริ่มนี้สร้างโดยคณะพัฐบาลยุคนั้นมีญาติโยมคนไหนร่วมมือด้วยก็บางทีร่วมรับและ อ, อธิมายพ่อรุ่นเราก็ทำเราในกัน้าให้ทำอะไรไว้มันไม่มีอะไรไว้ เขาทําอะไรไว้เขาไม่รู้สอนเขาไว้ทอนภายนอกมันก็ไป็นเรื่องขอรุ่นหลังจะได้เห็นแต่รุ่นรุ่นก่อนนั้นคนไหนฉลาดนอกจากหานทับเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงกับโวแล้วยังทําบุญรนุนนสอนน้องใหญ่ในวัดวิหารทานนี้เมื่อวิหารทานหรือเสนาทานมันอยู่ถาววันดันไปร่างกายสังขารุ่นรับไปจริงวุญรนสอนยังงอกงามให้เจ้าตัวยังได้ประโยชน์จากวิหารทานนั้นต่อนเนื่อง ไม่ไงไม่เสียง่ายงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นได้ว่าวัดรำวานของเก่านี้เขาสร้างไ ป, ปเมื่อก่อนนี้มันทนทานวัตุศิศาสตร์ประมาณทักรุ่วงเจ็ดิปีแล้วกุฏิวิหารเก่า ก, ก็ยังแข็งแรงดีเขาสร้างมาไว้ก่อนนั้นไม่เคยมีการโกงไม่เคยมีครอบชัินจึงทับตรงมาตรงมาเขาเรียก ว, ว่าแต่ลหลังก็แข็งแรงเดี๋ยวนี้บางทีกุฏิวิหารสวยๆหรูอ ข้ไม่นานต้องสอบไปแล้วเพราะไรคนสร้างก็สร้างให้เสร็จเร็วเร็วคนตรวจเามาใส่ตัวจริงจัเพราะเลยมันเป็นยกเรีย ว, ว่าูกไม้ก่อนคนใจเย็นทําอะไรมันก็เรียบร้อยเรียบดูรู้ดีเดี๋ยวนี้ใจร้อนทําอะไรก็ร้อนร้อนเร็วๆเห็นแล้วว่าเรื่องศาสนาเนี่ไม่ว่าจะเป็ น, นยันยงก็ดีรักบทก็ดี ใครมีธรรมะประจมใจแล้วก็ต้องมีความเย็นในใจแต่ใครไรธรรมะแล้วถึงู่รวยก็อย่างร้อนใจมีรายๆหย่ที่เป็นเศรษฐีใหญ่มีกิจการใหญ่แต่โลกขานกินเป็นห่วงเรื่องของผลประโยชน์บ้างเรื่องผลงานบ้างเรื่องของเยู่กันนี่สินบ้างเรงงรศรษฐกิจบ้า ง, างวานเมืองบ้าง คือไม่มีการที่สงบระงับได้หรอกปรุงแต่งยิ่งมีอาไว้คือบริษัทเดรานมากกาดีมีภาระรับผิดชอบมากกว่าดีเขาเรียกว่าบางทีจนจะตายแล้วยังห่วงผองนั่นอยู่เลยพอดะตายแล้วยังฝากฝังเรื่องฐานที่เรื่องกิจการเรื่องลกูกหลานเพราะยังว่าใจมันเป็นโรคหมดอย่างนี้แล้วมันจะไปไหนเนาะ มันก็เลยห่วงพ่วงอยู่นั่นแหละภม่นท่านเคยเล่าว่าท่านเดินทางทุรองนี้ไปใจเจดีล่างแห่งหนึ่งปรากฏมีปีศาจพี่น้องแสดงตัวให้เห็นท่านเลยถามว่าเอ้าเป็นมาเป็นปีศาจจิิงอยู่นี่เรื่องอะไรล่ะเพรพวกฉันเคยสร้างเจดียําำให้เสร็จไม่ได้ก็ห่วงห่วงอยู่นี้นนะคือว่าไม่รู้ใครจะมาบารมีให้มันดีขึ้นก็เลยกังวลอยู่เล ไ, ไปไหนไม่รอด บบเมื่อรู้บอกว่าอ้าวเราทําดีแค่ไหนก็ยินดีในความดีเราสิจะโมห่วงห่วงทำไมเาราหลวงปู่อะไรสอนอ่ะให้ปล่อยวางนะเราทําดีมาแล้วคิดถึงความดีก็ดีอยู่แต่มาห่วงห่วงแล้วก็เป็นเงินยึดบ้านถือบ้านโบได้ให้ถี่ให้พรไปจากมีสารก็เลยกลายเป็นเทพเจ้าไปเพราะว่าเขาไม่บุญอยู่แล้วแต่ไม่มีใครแนะนําให้เขาปล่อยวางเรื่การปล่อยวางก็เป็นเรื่องพุทธะ ทำฐานก็ไว้วางว่ถูปใจแล้วทานอิ่มกายให้ทานอิ่มใจแล้วอาบน้ําก็าอาบกายแล้วษานทิ่งมันอาาบใจสินทรัพย์ก็ไปแค่บทล ม, มทิ้นธํามรักษานี่ไปถึงผลกิเลสนู่นเรื่องเล่นกีฬาก็มีพลังกายถ้ากีฬาเก่งกล้าสามารถก็ไปแค่ห้าสิบเปอร์นก็หมดหมดแรงแล้วแต่ลักภานาแล้วไปติดกติเต็งเฉยอยู่เลยเพราะอะไรพลังกายมันมีอายุสั้น พลังใจนี้ไปไกลร่างกายเคยจะการเคลื่อนไหวท่านกต้องเคลื่อนไหวเป็นนักวิ่งก็ดีนักนปอนก็นดีจะเป็นเส้นสีไลก็ต้องเคลื่อนไหวใจนักภาวนาะต้องสงบมันตรงข้ามกันเรียกว่าเคยทหารดันเจือบไปบวชพระโสดาบันนี้แล้วเขาไม่รู้ที่แรกเขาไม่บอกแต่เรามีการฝึกภาวนาทุกคืนทุกคืนสองชั่วโมง เขาไปนั่งขึ้นอยู่วงกว่าชักขยับแล้วพอเลือกลราบอกเออเขาแปลกผมเป็นทหารนันเจอะคือว่าฝึกแรงเดียไปป่าไปดงขึ้นเขาลงห้วยโลดโถมรดนยายาเออพอทนได้ให้มานั่งเฉยๆนี่ผมทำใจไม่ได้เลยทำใจไม่ได้แล้วกายมันก็พอให้ปวดพลอยเมื่อยไปด้วยเห็นท่านนั่งกันทนท น, ทนเป็นชั่วโมงชั่วโงนี่ เฮ้ผมก็เป็นนักมีเรี่ยวมีแรงอยู่เรื่งต้บมันไปไม่ไม่ไม่ไม่รอดแสดงว่าเขาฝึกมาอย่างนั้นอ่ะฝึกมาในการเคลื่อนไหวไม่พลังกายเข้มแข็งแต่พวกเราฝึกในเร่องพลังใจมีการนั่งทั้งรวมขาขวาทับขาซ้ายมือขวาลงซ้ายตั้งกายตรงเช่รวมตาไม่ดูอะไรภายนอกมันก็ไม่ผงดังไม่คิดอะไรภายนอกมันก็ลดการพุ่งไว ไม่พูดภายนอกก็สงบแล้วับพขาจะลืมตาแล้วเป็นผู้อื่นเห็นผู้แล้วต่างคนต่างดูกันเดี๋ยวก็คุยกันแล้วอย่างเช่นพระนั่งฉันทีตโตนี่ก็ในเมื่อท่านฉันหันหน้าเข้ารวมกันนี่กหันหน้าเจอกันตักอาหารเข้าปานแล้วก็ตาก็รู้กันก็มองก็คุยกันไปแต่คำถานก็ร่างเรียงนัางฉันในบาทรายมถวายก็ตักใส่บาทแล้วก็ผ่านผ่านผ่านบาน สุท้ายเอาไว้ในบาทพระสงฆควรแก่กันไปพวกแล้วลงท้าออกนะคือทายยมหมดเลยออกชอบขยยมแล้วอนนี้ยมเก่าสัทานก็ อ, อกกับโรกนิดหน่อยอแต่ไม่อบรกก็ถือว่าเป็นการให้แล้วมอบให้โดยพระพอแล้วเป็นยังไงแล้วนั่งเรียงกันข้างหน้าไม่มีใครใหญ่อยอมก็รับอาหารของตัวเองไปพักขยฉันไปก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องพูดกัน แล้วท่านถือว่าเวลาฉันนี่ตัวเวลาตำรวจอันหนึ่งถ้าฉันไปคุยไปนี่มันรู้เหมือนชาวบ้านแล้วนั้นะเรื่องการปฏิบัติ น, บบนี้เป็นการฝึกจากคนนรรมดานี่แหละฝึกให้มีการสารวมมากขึ้นก็เรียกว่าจากทานก็เป็นศีลเป็นการสำรวจกายวาจาจแล้วทานนี้อย่างว่าจากวิหารทานเขาไปอภัยทานไม่เส้นที่ทองหรอกแต่ใครล่วงเกินแล้ว เราให้อภัยเราไม่ถือโทษเผื่อว่าถือไว้แล้วก็แลกไปอาจจะมีการเขาก็มากันขอเขาตี ก, กันจยากเป็นศัตรูกลายเป็นมิตรกันก็อีกต่ได้เพราะอย่างน้อยถ้ามีกันขอโทษกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาเห็นเราเราอุตส่าห์ขอโทษเขายกโทษให้จากศัตรูกลายเป็นมิตร ก, กันก็มาหลายเพราะอะไรเป็นการ ขอโทษถึงกันแล้วกันเป็นหลักอภัยทานซึงทาละทําอยู่ทุกทุกปีทุกปีมันเข้าบรรดาหันนี้ตั้งแต่เจ้าวานจนถึงพลายข้างน้อยพอมาถึงกันแล้วกันหมดแล้วก็ลงท้ายออกปัรดาแล้วถ้าตั้งหลายจะมีการทําพิธีกล่าวภาวนาซึ่งกันแล้วกันทั้งโลกนี้เขาไม่บอกให้เราตักเตือนได้เผลอๆตักเตือนเขาเขาไม่พอใจ เขอยากให้ยอเขาอย่างเดียวทั้งพระนี้เรื่องการว่กันยอเนี่ยถือว่าม่จะเป็นหรอกแต่เห็นว่าเรามีการผิดพลาดล่วงเกินอะไรไม่ดีขอให้มีคารุณาช่วยแนะนําให้เราทําด้วยเราจะได้แก้ไขมาดีซะเริ่มต้นขอข้อมาถึงการถึงการถ้าผิดพลาดล่วงเกินกันไม่ถือโทษตรงท้ายก็มีการภาวนาไว้เห็นเราผิดพลาดเสียหายแล้วก็ให้บอกนะให้เตือนนะ ยีนี้แก้ไขซะะนั้นทางพระนี้อยู่กันเป็นร้อยๆก็ไม่มีปัญหาอยู่กันกี่ิบก็ไม่มีปัญหาอะไรต่างคนต่างไม่ถึงโทษถึงกันนั้นไม่เพ่งโทษกันเพราะว่ามีการให้ภัยกันเป็นร่วงต้นเมตตาเป็นเครื่องสุนเครื่องหนุนหลังลงท้ายเรียกให้ธรรมทานอย่างวายจารนี้ก็ลองมาหน่อยหนึ่งเขาเรียกเป็นการให้เรียกว่าเป็นเรื่องของ ให้การรู้เรียกว่าให้การแนะนําเป็นเรื่องวิทยาการอาชีพแต่ทัมภาร์นี้ให้เรื่องจิตจใจอย่าโยมให้อหันกายร่าให้หันใจก็ทอดทิศทอดสายกันเนี่ยพุทธเจ้าว่าเคนเรานั้นรู้แต่เรื่องของโรคนี้แต่ไม่ค่อยรู้เรื่องนอกโลกก็จะพลาดทั้งขาดประโยชน์เป็นนิ่งใหญ่เพราะว่าโรคนี้มันสั้น ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่บานใ ด, ด, ดมีฤทธิ์ในเดชประโยชลงท้ายตายหมดไป็ใครหลือหรอประมาณร้อยปีเกินเราก็มีแต่มันน้อยที่ไม่ถึงซะมากแล้วถ้าเมื่อตายแล้วสวนจริงไม่ไาวเลยหรอกแต่พระเจ้ทาทรงทราบเมื่อสอนธรรมบอกแล้วนั่งพวาวนามียาชาแล้วก็รู้ตรงกันวอ๋อที่เร า, าเกิดเนี้ยร่างกายทั้งหมดเป็นของพ่อของแม่เขาคือแบบบุญญาติยายของเรา เป็นท่านในโลกนี้ท่านดินท่านน้ำลมไฟส่าอากาศในโลกราคาล่านี้แหละเราเป็นจิตวิญญาณทัานเองเทววิญญาณท่านทิ้งร่างเก่าแล้วแต่ยังไม่หมดกิเลสหาจึงจะหาพบภายชาติมาเกิดมหาอ่าที่เกิดของเราใครมีญาติเป็นคนพฝลั่งไปเกิดเป็นฝลังใครญาติเกิดเทวมืองเจนก็ไปเกิดมองจีนใครเป็นญาติมุงแขกเกิดมุงแขกเราไม่ญาติไทยก็ไปเกิดมองไทยนี่ มันมีแนวโน้มของการติดตามญาติพี่ที่เคยเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อยแต่เรืมันปนเปกันแล้วปนเปเรื่องของแต่รัชชาตแต่รัฐสนาแต่ละเผ่ า, าพันธุ์ปนเปกันไปแล้วมันก็เรียกว่ามันก็เลยไม่ค่อยเพนีอะไรที่แ น, น่นอนอยู่บ้านเดียวกันเพนีคนละอย่างท้องอย่างแล้วก็เรื่องอาหารเหมือนกันคนอีสานเขาชอบอะไรประเด็กภาคกลางเขชอบกันเนื้อกันเผ็ดอาจารย์ทำชอบผัดเจ๊ สมมปิ้งอะไร่ป แ, แขกก็ชอบอาหารแบบเป็นเครื่องเทศของแม่สุพิชิตจีนก็ชอบเผาเหล้าชอบของเจอเมื่อตราไปนี้แล้วมนไไวันตามสมถินเขาที่จะเป็นยังไงนั้นเรื่องของส่วนที่สูงก็เป็นธรรมทานเป็นส่วนที่แจง้งเรื่องแบบพุทธทวดให้ทราบว่าโลกนี้เป็นอยู่ชั่วคราวที่ยาณจึงเป็นภาโรคนี่เรื่องทานก็หลายอย่างเรื่องถินก็หลายขั้นไหลตอน ถิ่นห้าถิ่นแปดถิ่นติดนันเจ็ดนี้ทางโรคเรามักจะมีตั้มทำเนียมขอถิ่นกันอยู่เสมอเสมอเสมอเนี่ยแต่ขอรักษากันนานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ไวคำถานนี้บอกว่าก็เรารู้อยู่แล้วว่าถินมันอยู่ที่ตัวเรารัากษากายใจให้ดีรับไปทีเดียนรักษามันนานๆไดีไม่ต้องรับบ่อยขาดบ่อยรับบ่อยขาดบ่อยมันก็ไม่ต่อนเนื่องนี่ คือผ้านจะเป็นพื้นนานมันก็ใช้ได้นอนแต่ขาดได้ขาดอีกมันก็รู้ไปปะอ่านไม่เคยดีเพราะฉะนั้นพวกฤทธิกรรมทหานนี้รับถินจากวิชาทีเดียวนั่นนะไม่รับบ่อยแร้วแล้วก็อยู่กันนานเลยฉะนั้นเป็นเรื่องที่เรียกว่าศีลรักษาด้วยควำธรัมชาติขณ น, น, นี้ต้องมีผู้แนะนําอย่างพระอย่างขีนี้ขณะไปฝึกเป็นบ่านี้ อยู่พุทธเจ้าตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เนี้เห็นนั่นใครกํ า, าเพียนมาฉันอาหารแล้วจิดลึกไม่สําเร็จแล้วจึงเล่าออกไปที่ป่าพินณุโลกในไ ท, ทยวันแต่พุทธเจ้าองค์มันเพียนเพียนด้วยพระองค์เองมันมีกีกล้าแล้วจึงต้อบรรลุธรรมด้วยพระองค์เองแล้วสำเร็จโดยชอบแล้วทรงคิดว่าทําที่เราบรรเพนนี้มันจะคุ้มลุ่มเลิศมากที่แรกองค์ท้อวันชัยแล้วว่า จะมีคนเข้าใจทั้งทั้ทัท้งกี่คนแต่พอดีมีเขาเรียบเทีย่ยบเหมือนก็เป็นผมเขาพรมมาศาสนาในเรื่องเปรียบเทียบก็บหมายถึงพระมิหารว่าพระองค์ก็ยังพัฒนาขึ้นหมายจะเป็นพระเจ้าได้แล้วถ้าไปชี้แจงให้คนที่มีปัญญากับวัวจะขึ้นถึงฝั่งแล้วจะถูกแต่งติจะมานเลยจึงตรงเห็นว่าโอ้คนเราก็มีหลายระดับเป็นคนชั้นหลวงรด้กว่า ปกติตันยูแบบวัวพนนะญญ้ําพิจิญยูแบบวัวที่ปีนะเป็นน้ํานยยะผู้กลางๆนะ้ะโพตําอยู่กับเลนตมก็เรียกว่าพวกน ะ, ะ้นเปทนพระปรมาพระปรมาเนี่ย เ, เรียกว่าเหมือนกับคนอยู่กับไอต่อมยต้นตมเป็นขึ้นมาถึ ง, ถ, งถึงหิ้วน้านี่ยากคุณเจ้าเลยปล่อยวางไปถ้าเนยยะนี่พอสอนได้ก็สอนพวกประยัด ต, ต, ต่างๆทั่วๆไปแต่สูงมาก็จะสอนเรื่องปฏิบัติแนละ้ว ตอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศีลสมราธิหรือปัญญาแล้วทะทุงข้นสองวัทยาศาสตร์เลยนั้นเราทั้งหลายซึ่งมรุติชาวพุทธเนี่ยพระเจ้ากำชับตอนท้ายว่าทั้งงานทั้งหลายมีความเติมไปที่ใจธรรมดาเราทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนโยธท่านถึงพร้อมด้วยการไม่มาเถิดไปนั้นว่าฝากไปชิมพจอ์ไว้ ว่าคนทุกคนเกิดมานั้นอยากเห็นแก่ตัวอย่างเดียวทํายู่เรื่องอื่นด้วยแม้ป้ายแสดงถึงความขอร้องให้เห็นแก่ผู้อื่นนี้ก็มีเป็นคําขวัญของเศรษฐีราชวิดาที่โรงพยาบาใหญ่นี่เขาจะมีแผ่นตโตด้วยขอให้ถือประโยชน์ตอนที่สองยอดทอื่นไปทีหนึ่งราตซักเป็นยอดจะเกิดขึ้นเองถ้าตรงทําแหงอาชีพไปให้สุด อาชีพอะไรก็ตามเดอะ ท, ทําด้วยความเป็นธรรมแล้วไม่เอาเปรียบใครขายของก็ตรงไปตรงมาปาถุงกหนุงเพากันรับปากสัญญาอะไรไว้ก็ทําไปตามที่รับปากไว้สัญญาอะไรก็ให้เป็นไปตามสัญญาเลียกว่าสินค้าอะไรก็ให้คุ้มกว่าที่เขาลงทุนมาซื้อมาหาไม่ใช่ว่าพอเห็นลูกค้ามากเลยทําที่มันชักจะหยอดลงมา ราคาเท่าเดิมหรือสูงกว่าคือถ้าเบอร์ไม่มีการเปรียบ ก, กันแล้วบางคนดังก็พึ่ ง, า ง, งพานต้องการต้องการพอสมควรแต่เมื่อบางคนมันอยากได้รายได้เยอะมากแต่ไม่ไม่ให้ของมีคุณภาพแล้วมันก็จะมีการเรียกว่าจะต้องมีเจ้าที่มาดูแลแล้ ว, ลวเพราะคนในโลกนี้ทินทํามันเดือบลงเติอบลงต้องมีกฎหมายมาบังคับแล้วอดีตด้นสินทําไม่ต้องมางแอ้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 ของเกี่ยวกัเรื่องบุคคลทั้งหลายเหตุการณ์ทั้งหลายมันพุ่นวายแต่คนนิยมมาอยู่กันมากขึ้นมาขึเหมือนเพราะอะไรมันสมาธิคล่องขึ้นนี่เขาเรียกว่าทําอะไรก็ตามเนียถ้าขาดที่ทําแล้วบ้นขาดทุนไปด้วยถ้าที่ทําคืนมาแล้วตัวเองก็ได้ชีวิตโลกนี้ก็ทํายพออยู่ไปโลกหน้าก็มี่เขาจเจริญต่อไปแต่บางคนเขาไม่เข้าใจ เขาไม่สนใจเรื่องของจิตใจคิดว่าเกิดตายทั้งหมงเรื่องเรื่องแต่ลเรื่องก่อนเงินคือชาติก่อนถ้าในโลคนี้ไม่เคยมีเรื่องที่เขาเล่าถึงคนเกิดถึงชาติตายอย่าอะไรมากก็ดีเด็กท่ชาติเด็กก็มีในโลคนี้ที่มีอาักานอยู่แล้วก็ที่ตายแล้วถ้ามีใครเคยเจอพี่สังเดดาเลยใครจะยอมรับ ในนี้ก็มีคนที่ฉลาดเก่งทั้งวิชาการวิชาชีพอ้างว่าไม่มีแล้วเรื่องร่ำรวไม่มีแล้วผีทั้งไม่มีแล้วเรื่องของคนเรื่องของพระอยากได้ราบแต่การรว่าอ้างว่า ท, ท, ทําบุญนีอ้อะไรไปสวรรค์เรียกว่าไม่อยายให้เขาทําชั่วก็เลยกลกัวตกนรกแต่พุทธานี้สอนตามความจริงเรียกว่าสวรรค์เป็นของตามจริงว่าคุณอยากขึ้นสวรรค์คุณต้องทําความดีขึ้นไปด้ ถ้าคุณทำชั่วถึงไม้จะต้องรบก็ต้องลองรบบ้านเหมือนกั็กฎหมายบ้านเมืองอ่ะคุณนําชั่วเขาจับคุณลงโทษไปคุณทําดีเขาก็มีตําแหน่งสูงให้แต่ว่าทางโลกนี้คุณจะหลานหรือคุณมีเงินมากพออิทธิพลมากพอคุณนี้กฎหมายเขาได้แต่คนนี้ก่อนกรรมไม่ได้หรอกคนกรามีคุณรู้อยู่คุณทําเองทั้งกายใจใจนี้เมื่อทําแล้วมันก็เป็น วนที่เข้าไปถิงอยู่ในใจทําดีจิตก็สาหาันเข้าหอวผ่องใส ท, ทำชัว่วก็จิตก็วุ่นวายเขมองขุนัวนีวน่ไปเรื่องของตัวทำเองฉะนั้นลงท้ายเรื่องการจยบตายดีพระยาแสดงกฎแห่งกรรมว่าไม่ราพักได้จากกันก็ทําดีต่างคนแต่มีความดีแล้วก็ ย, ยังคิดถึงกันเกิดใหม่เจอกันอีกก็ได้ทํกทากันต่อไปแต่ว่าถา้าบีบงันโลกนี้แล้วอยู่ก็เป็นเวรเป็ น, นภัยกันตายไปก็เป็นตัตูกันต่อไปอีก เป็นเวรภัยต่อไปอีกเกิดใหม่ก็เป็นเวรกรรมเหมือนต่อไปอีกเพราะต้อนแสดงว่าชื่อของเรานั้นมันยังมีเรื่องว่าต้องฐานเวียนไหวตายเกิดไม่ใช่ว่าเกิดชาติเดียวจบแต่ว่าจะเจอกันในบ้านเมืองไหนชาติไหนก็แล้วแต่ฉะนั้นจึงมีปรากฏเสมอตัวว่าที่ว่าโอเพนสันนิวาสคือเคยเกี่ยวข้องกัน เขาฝ่ายอื่นมา่าจะตกลงอยู่แต่งานแล้วนี่ต่ว่ามันยังไงก็ยังไม่ลงเลยมันเจอคนใหมายพวก้อ้าวแต่งน้นเล้าแสดงมันเป็นเรื่องแปลกมันบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องเข้ามาเหยียบ ไ, ไปเรื่องเป็นแล้วแสดงว่าเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการมาเกิดในครอบครัว ก, ก็ดีการในผู่พ้องก็ดีการได้ลูกหลานก็ดีมันมีกฎมีเกณฑ์ของธรรมชาติอยู่เหมือนกัน คนไหนเกิดมารวยแสงชันก่อนชอบตำทานคนไหนเกิดมาจนถ้ก่อนตันนี้พี่กงเข้าไว้คนเกิดมาร่างแข็งแร ง, แนงคนงามยืยืนเพราไรภ็สาถินพุทธธ ร, ร ม, มาดีคนเกิดมาวิคนมีการโครคภัยมากบาดเด็บบ่อยตายเร็วชัดก่อนชอบเบียดเบียนเขาได้สินได้ธรรมคนเกิดมาฉลาดทั้งโรคกะเกงธรรมะก็ดีแสดงว่าเขาเคยศึกษาหาความรู้มาแล้วเขาเคยบท เ, เรียนมาแล้ว มาชาตินี้นิสัยเก่าก็ติดตามมาคนฝ่ายที่ไม่ดีก็เพราะไอ้ส่วนไม่ดีทําติดตามมามันก็มาคนชานี้ไม่ครดีฐานะไม่ดีรู่าไม่ดีปัญญาไม่ดีคนที่เขาทําดีมาแล้วมันก็เกิดรูปร่างดีฐ า, านะดีปดัญญาดีถ้ามาสืบต่อในโลกนี้พระเจ้ากําชับว่าท่านทั้งหลายคนยังอยู่ตรงชาติถึงพร้อมความไม่มาศแล้วในเรื่องประโยชน์ปัจจุบันก็พยายามมุ่ง การศึกษาขยันขันแข็ ง, ขงทำงานเขาเอายิงเอาจังแล้วกเก็บของเอาเรียไว้เผื่อว่าอนาคตต้องการมีปัจจัยใช้มันก็ยังไม่จะร้อนและระางที่มีชื่ออยู่นี้สำคัญที่ไม่เสีหายครบพานเผาดังพิษเขาปิบัติบางทางผลเขาผชอบวรรเทาากจนเขาปฏิบัติมีความถูกกําเนิดนั่นให้รู้จักคบไม่เสถายรู้จักกันธรรมดาแต่พินเสถายรนี้เขาบอกว่า คนไม่ดีคือปกติเขาคิดไม่ดีก็ไม่รู้หรอกแต่เขาเริ่มพูดจะไม่ดีแล้วทําก็ไม่ค่ยดีแล้วเป็นคนไม่ใอบริเวณในพิงนอนนี่ก็ตัวเป็นคนที่เราพูดดีๆก็ยังโกรธได้คนดีนั้นปกติเขาคิดดีเขาแต่ออกว่าพูดจาเขาดีทำอะไรเขาดีแนะนําเราอะไรย่างก็เป็นท่านดีๆแล้วเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีใครจะพูดไนเขาไม่หศึกษา ผิดพลาดเขให้อภัยโดยกาว่าถ้าคบคนไม่ดีเราคอยวุ่นวายไปด้วยเพราะวันนี้เราก็มีสินญาณดีไปด้วยเเรียกว่าคบคนสำคันเริ่มต้นลงท้ายเราทุกคนนั้นแม้ทํางานดีก็ฐานะต่างๆกันไปตำแหน่งต่างๆกันไปก็ไม่เป็นไรบางคนทําที่ตนเองดีแล้วอาจจะได้รับขึ้นขึ้นไปกก็ได้หรือทําให้ดีอาจจะตรกฐาไปอีกก็ได้แปงว่า ท่านอย่างหน้าที่นี้มันก็หนี้จังเหมือนกันมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีเข้ามีออกทั้งกันคือจิตใจของเราท่า น, นบอกว่าเรื่องของโรคนี้ก็เพียงชั่วที่อยู่แต่ว่าห น, นึ่งเราจะป่วยนักเราจะตายทํางกันประโยชน์ท่านน้าเข้าใจไหมว่าเราจะรอเอาตายแล้วไปรู้ชท่านน่านี้มันช้าเกินไปแล้ว เรื่องคนเขาเล่าไว้มี่ัางเทวดานี้เขาพามังเขาบ้างถ้าเราไม่เจอเองก็ยังสงสัยอยู่แต่โลกนี้คนที่เขาเจอเองเขามีเล่ากันไว้จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่เร า, หาให้ผลกันว่าคู่รู้คุณเจ้าเป็นต้นพระเจ้าเป็นทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายรู้จพูดตรงกันพูทสาว่ามีชัติก่อนชั้นหน้ารุสวรรค์เราเชื่อตามท่านแล้วก็ต้องเจริญขึ้น ที่ไกล้คนไม่เชื่อเรื่องที่ทางตาไม่เชื่อทางก่อนชนะในเลี้ยวไหลเรียกว่าใช้เงินทางที่ถูกนานทั้งโลกแต่คนนี้เขาเชื่อแล้วเขามีท่นเกินก็ทำบุญทาทานบ้างตั้งกายรักษาปีนบ้างศึกษาเรื่องภาวนาแบ่งเวลาไหวพระสงฆ์บ้างวันหยุดวันเสาาทิตไปวัวดป่าไปดองบ้างอะไรเงี้ยต่อเมื่อมันแก่กล้าแล้วพอกเกษียณแล้วไวยต้นหา ความรู้ไวกลางหาทรัพย์ไปไปลายหากุศลเรามีพื้นฐานเคยเข้าวิชาวามาแล้วเคยพันธสัทําแล้วพอกเกษียณแล้วเราก็แบมงเวลาไปวัดมากขึ้นมันก็เติียะเบียงบุญเอาไว้แต่คนไม่เคยแล้วกเกษียณแล้วต้องหางานหางานเพื่อจะได้เงินมาเพิ่มเติมหางานไม่ได้ก็เทียบแต่เทเพกิเลสมันยากหนักไปอีกเวลาว่างมันไม่ทาอะไร ก็เลยกลายว่าฝ่ายหนึ่งเขาเดินขึ้นเพราะเข้ามาทางมูลนิยมตนอีกฝ่ายหนึ่งเดินลงไปทางที่เรียกว่าไปทางเที่ยวเตถิเพนั้นประโยชน์อย่างยิ่งสรรประโยชน์ชั่นนาทเขาบอกว่าต้องตัดทาเชื่อกดกรรมเชื่อเรื่องที่พระเจ้าแสดงไว้เรื่องชั่นก่อนชั่นนาวิถังเทวดาถูกทุกข์กกรรมนี้แล้วก็มีสินธรรมตาที่สัน า, างไว้สินาสินแตนสินวิจิตนี้ อย่างน้อยมีตินก็ไปหน่อยหนึ่งเป็นการคุ้มโลกนี้ไม่ตกด่างโลกหน้าก็ไม่ตกกรกมีตินทำกับที่นางจ่าคะเราเกิดมาอาศัยผู้อื่นเป็นว่าต่างระดัศาจารย์ญาติหายครู้วิจารย์ผู้คำชาติต่างนี่เมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วต้องมีการทําประโยชน์ตอบแทนอย่างน้อยก็เรียก ว, ว่าช่วยเหลือท่านมีสิ่งของสง่าคุณท่านไปเยี่ยมเยิยนท่านช่วยเหลือท่าน เขาเรียกวเป็นจารคะทำประโยชน์ผู้อื่นบ้าง롱ท้ายก็เรียกว่ามีปัญญาเราปัญญาธรรมะหักินนังเราขนฝายมานานแล้วปัญญามันปลายปัญญาหาบุญหักกัลปนเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเราเรู้มต้นขานตามจริงเราเรู้บางกุ้งท้นแล้วก็รู้จักว่าควรจะทําทานที่ไหนรักษาศีลอย่างไรภาวนาอย่างไรนี่ต้องมีปัญญาประกอบเหมือนกันแต่เริ่มต้นต้อศรัทธา롱ท้ทาทยที่ปัญญา ตรงกลางก็มีทิ้นรมกับจ่คพานี้แค่นี้ก็เรียกว่าเป็นหลักประกันว่าคงจะไม่พลาดครั้งไม่ล้มตายเปล่าแล้วมีกําไรแล้วถ้าตุดท้ายใครต้องการพระคนที่พานแล้วบรรพายก็ต้องบวช ด, ดิไม่บวชก็เข้าวัดว่าภาวนาะทำธรรมที่ให้แก่ขา้าเจริญปัญญาให้หลอกลวงตามความจริงเรียกปรัชนาเกิดขึ้น เ่อยปล่อยวางปล่อยวางเรื่องของเรื่ท้องให้มันไม่ยึดมั่นถือมั่นนักปล่อยวางเรื่องครอบครัวลูกหลานยันมิดไม่ยึดมั่นถม่นนักปล่อยวางเรื่องงานเรื่องเงินปล่อยวางตำแหน่งหน้าที่แต่ว่าไม่ปล่อยวางคือเรื่องมูลสนพุทธเจ้า ก, ก็ชี้ว่าให้เราทรงทันโส ด, ดในส่วนที่เป็นผูปใจแต่ถ้าเป็นผู้สนทําแล้วเป็นมูลสนแล้วอยากทันโส ด, ด เคือว่ายังไม่เป็นเกเรแล้วอย่าถอยความเพียรความเพียรในการที่จะทำเกเรนี้ให้มีความมุ่งมั่นเป็นฉันทะพอใจวิญญาณแข็งใจทํากิตตั้งใจทําแล้วก็ศีรษะเข้าใจทําอย่างนี้แล้วอย่าสะดุดในกุรอานธรรมสะดุดในข้อของอันนองนั้นเมื่อเรามีพอแล้วเราก็วางปล่อยวางสบ้างแต่ผูรร้สนเรายังไม่เต็มตดับใดเต็มให้เขาว่าหมดเกเรเขาเห็นที่ผานหนึ่งได้เต็ม ยังไม่เต็มตามใจต้องขนไถ่กันไปนั่นการที่ได้ฟังธรรมะจากครัง้งคราวนี้เพื่อว่าอย่างน้อยได้ไง่ายที่ตัดินใจว่าโลกนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวร่างกายนี้ก็เป็นของอาศัยชั่วคราวทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแต่ยืนยาวคือจิตของเราจิตเหล่านี้พระเจ้าคนดีพ่อเจ้าวันนี้พ่ยังกดีออกจิตเป็นนักบุญนั้นเองเรื่องางชาติก่อนมาชาตินี้แล้ว ยังเดินทางต่อไปชนะเอกซึ่งสงบแล้วพระเจ้ากระชับว่าทุกอื่นยิ่งใจสงบไม่มีคัดเตีเยเตรีมรางขังสงบกายไม่ทําบาปสงบกายเรียกว่าสํารงกายไม่วนวายประวันจาไม่พูดร้ายพูดจาดีๆพูดจาน้อยลงสงบกันได้เวียนได้ศีลทามาควบคุม คาถาศีลสงบความวุ่นวายทุ่งต้านหลบในวันก็เป็นธรรมทีสงบความหลงก็เป็นในปัญญาตุณย่อขึ้นได้เป็นสงบจากเรื่องของการยิบันธรรมะหลายเป็นวิมุตเป็นหมดที่แหลือในนิพพานนี้เป็นเรื่องสรุปได้ว่าเรื่องของโรคนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวที่ยาวคือปัจจุบันโรคแล้วก็โรคีทัพเป็นของสายพิชโยคราว ใหญ่ๆคือไอซัพยบแต่นั้นใครมีอรอซัพย์แล้วถือเป็นทรัพย์ประเสริฐติดตามเราไปถึงชาติน้าได้เพราะนั้นเราทั้งหลายเข้าใจแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่พอสมควรแล้วตามที่กําหนดว่าจะแสดงธรรมถึงบ่ายโมงก็ได้เวลาสมควรแล้วเพรอหวังว่าคงจะทําให้เราได้ไง่ายเข้มใสใจบ้างพอสมควร เพียงเรงสงไข้หรือไม่เป็นธทําก็ปล่อยคืนวะต่อไปนี้ก็ตั้งใจที่จะอ่าเนียกแผ่ไม่ตายอีกทีหนึง่งคือว่าแผ่ตายตอนแรกนี่เข้าใจว่าพวกเราคงอยากพอได้อีกตัวหนึ่งหลังจากไม่ตาแล้วแผ่กตอนแล้วคุณท่านเจดีนี้ไม่ค่อยมีใครนําแต่มานี่นําลูกศิษย์มาหลายรุ่นแล้วคือเมื่อเราให้เขาแล้วแถ่ไม่ตายเขาแล้วแผ่ก็ศลเขาแล้วแล้วเองก็ยังเป็นชนอยู่ ยะต้องการความถูกหรือความบุมสนอยู่ที่ต้องที่ฐาจิตเพื่อเราเหมือนกันต่อไปนี้ก็รองแผ่เมตตาเป็นกุศลที่เราเคยทำพร้อมๆกันเลยก็ได้ภาวาาเพื่อวาจาพ้องเมียงกั น, กนสัเมบสัตตาสัทธาโหนโตอเวราสุขไชีวิโนโอขอให้ตัด ท, ทั้งหลาย ย่าณได้มีเวรแก่กันและกันจงไปพนผู้ดำรงชีพอยู่เป็นศุกทุกเมื่อเทินกระตังบุญญาพลังไม่หังจับเพพาคีภาวันตุเตพอยตัดทั้งหลายจงได้สวยพ้นบนที่เจ้าใดบำเพน ด้วยกลายวาจาใจแล้วนั้เถินอันนี้ที่สานจิตต่อไปพุทธปูชามหาเตชะวันโตขอเดชะการปูชาพูดธเจ้าจงเป็นเหตุนำมาซึ่งเดชารุปภาพอันยิ่งใหญ่ธรรมะปูชาประหารปัญโย ขอเดชะการบูชาพระธรรมจงวินเหตุนำมาซึ่งสติปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆาบูชามหาโพค่ะวะโหขอเดชะการบูชาพระสงฆ์จงวินเหตุนำมาซึ่งพระธุสมบัติอันยิ่งใหญ่ ติทิชัยโยสิทิลาโภสิทิถูกขขพาวันตุงเมขอยเข้าไปเจ้าสำเร็จซึ่งใช้ชนะลาภาโสกโตตลอดไปเถิที่ฐานจิตที่มานิดหน่อยว่ารับยาพระเจ้าแล้วทำตามอวัธนแล้วเราจะมีเดช เดชานุภาพเขเรียกว่าเป็นเรืร่องรอบงคนทั้งหลายอย่างหนึ่งทั้งนั้นคือเรามีเดชคือมีพลังควบคุมคกิเลสตัณหาได้ดีขึ้นที่สองวิชาประธรรมเกิดปัญญายิ่งใหญ่นั้นปัญญาให้กินเราผ่านมาแล้วเป็นปัญญารอบรู้ของทั้งขานเป็นปัญญาที่เรียกว่าเป็นความที่จะมุ่งมัน่นเห็น อ, อันิจจังโลกงตาอันนี้ตรงตาเห็นธรรมนี้เป็นปัญญายิ่งใหญ่ ถัดไปภพทรัพย์สมบัตินั้นภายนอกเรีรเกยกโลภีทรัพย์ไปใข่บ่นลมไอทรัพย์นี้ไปถึงบ่อนกิเลสอ่าดัทรัพย์ที่ใหญ่ไหมครับเป็นทรัพย์ที่เป็นทางด้านอไอทรัพย์ก็ไปไกลกว่าหรือสิทธิโยนี่ชนะคนอื่นเมื่อแสนไม่แม่นชนะตัวเองนั้นการชนะตัวนี้คือเกักเรียกเจ้าของเป็นการชนะท า, า, า, างศาสนาราผ้าบ้างกันคนทํานาก็ต้องการแก้ไว้เงินทองเขาวงราผ้าอุณาเขาเรียก ว, ว่า อันโลคยาปนารพาความไม่มีโรคเป็นดั้มยิ่งไม่มีโรคกายก็เป็นลาบดิเยกว่าหาได้ยากไม่เป็นโรคใจด้วยยิ่งหานได้ยากมากทีอีกเรียกว่าเป็นลาบยิ่งก็คือเป็นการไม่มีโรคถัดมาสุกโตโรคนี้เราก็มีคําส่งจากที่เห็นนก็รู้ว่ามีฐานะมีความดีงามแต่ว่าโรงหน้านี้มีสุขโตไปถึงชั้นาก็หวังได้ว่ามุ่งส่นทรรนี้ โลงนี้ทำให้เยน็นเป็นตุกโลกนาก็มีความสุกขอเรยนิ่งไปสุดท้ายนี้ก็ด้วยอานาจของุนรัติรตาก็สมเนธธมนั้นจงไว้เราใจมีตัวเชือรทางนั้ น, น, น, น, นคนจากทุกโศกโรคภายอาันตรายนักาลคนก็ตกความสุขคาลันได้อายุวันนะสุขาพละพร้อมตั้งปริพานธ์ทัศนานบาัตตรันั้นใดให้สาเร็จผลด้วยดีต่อการ ท, ทุกท่กนานทุกคนเด้สาธุเ อ, เอวังแคนี้ก่อน